ว, วันนี้เป็นวันพระแรมสิบผ้า่ำเดือนสองแปลว่าเดือนสองดับล ว, วันนี้ปีพุทธศักราชสองพันห้าอยห้าสิบเอ็ดตรงกับวันที่หกกุมภาห้าหนึ่งวันนี้เป็นวันพระแล้วก็เป็นวัน พง่งนี้เป็นวันตุดจีนเป็นวันปีใหม่ของจีนวันนี้เป็นวันไหว้เจ้าแปลว่าเป็นวันทำบุญแล้วเป็นวันไหว้เจ้าส่งท้ายปีเก่าถ้าว่าเป็นเมืองไทยของเรากคงจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาแล้ววันนี้แล้วก็วันที่หนึ่งข้าวหน้าเนี่ยเป็นวันวันพง่งนี้ก็เป็นวันปีใหม่ของจีน เป็นวันตรุษจีนสรุปแล้วก็คือเป็นวันปีใหม่แต่โดยมากคนไทยของเราเนี่ยถ้าเป็นตรุษจีนไทยเมาอีกอย่างเก่าถ้าเป็นปีใหม่ก็ไทยเมาอีกเป็นปีใหม่ไทยปีใหม่สากลวันที่หนึ่งมกราบแปลว่าปีใหม่สากลคนไทยก็เมาอีกวันที่สิบสามเมษา ปีใหม่ไทยไทยเขาเมาอีกไทยไมีแต่เมากับเมาเั้นกเะเพอเพอคิดจะมาดวันที่ยี่สิบหกยิบเจ็ดเขาเมาอีกแต่ตาม่จริงวันที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมีความหมายสำหรับคนโบ ร, โบราณอย่างวันปีใหม่จีนอย่างนี้เขาก็ให้ ล้ำลึกถึงบรรพบุรุษของเขาคือปู่ย่าตายายลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังอย่าลืมบรรพบุรุษที่สั่งสมสร้างบ้านแปลงเรือนสร้างบ้านสร้างเมืองมาให้พวกเราได้อยู่อาศัยสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีก่อนที่พวกเราจะได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุขทั้ง ข้างนอกทั้งข้างในกับข้างในก็คือวัฒนธรรมข้างนอกก็คือการเป็นอยู่ปัจจัยสีข้าวน้ำโภชนะอาหารอันนี้เป็นมาตั้งแต่โบ ร, โบราณขาลสร้างมาเราก็เกิดขึ้นมาก็ได้รับมรดกที่ปู่ย่าตาทวดที่ท่านรักษาเอามาไว้เพราะนั้นเมื่อเกิดเรามาถึงจุดนี้เราก็ระลึกถึงพระคุณเหล่านั้นท่านเหล่านั้นที่ท่าน สืบทอดกันมาอันนี้แปลว่าคนจีนเขาไม่ให้ลืมพระคุณคนไทยก็เหมือนกันไม่ลืมพระคุณในทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันท่านไม่ให้ลืมบุญคุณของผู้มีอุปการะคุณในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าบุพกาลีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนกตัญญูกตวีทิตา เมื่อท่านทำคุณไว้คุณให้แก่เราแล้วเราก็ควรจะตอบบุญแทนคุณท่านนั่นคือการอยู่ด้วยกันในวัตสงสารเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านออกศรัทธาญาติโยมทุกคนนะอย่าลืมพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างที่ชาวจีนเขาพาดำเนินมาทางที่ถูกต้องอย่างน้อยก่อนแล้วลึกถึงบุญคุณ ให้เป็นตัวอย่างให้แก่ลูกแก่หลานจากนั้นลูกหลานของเราเขาก็เห็นมันพบดุษเรือ่องพ่อแม่ปู่ย่าตายายแก่เท่าชรลาเขาก็จะระลึกถึงประคุณว่าเออพ่อแม่ของเราทำการทำงานเตี่ยของเราทำงานมาสืบท อ, อดมรดกมาหาเงินมาให้แก่พวกเราที่เราได้รับความสะดวกสบายทุกวันนี้ก็เพราะว่าพาะเตี่ยพาออาแม่ หามาใ ห, ให้อามาอากองหามาไว้ให้จึงได้รับความสะดวกสบายถึงขนาดนี้ถ้าเราเกิดมาแบเบาขึ้นมาแล้วมาหาเองคงจะไม่ถึงขนาดนี้อันนี้พวกเราควรจะคิดอย่างนั้นไปอยู่เสมออย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันคนเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยของเราเนี่ยเกิดมาก็ไม่ใช่ว่าจะ แบมือขึ้นมาได้ก่อนที่จะแบมือขึ้นมาได้พ่อแม่เลี้ยงมาเท่าไหร่ตั้งทุนให้เราเท่าไหร่กว่าที่เราจะใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเนะี่ยไม่ใช่ว่าเราจะปปรับขึ้นมากินอากาศแล้วก็จะโตใหญ่โตขึ้นมาไม่ใชเ่เราก็ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่เลี้ยงดูเรามาอย่างพวกเราเลี้ยงเด็กพวกพ่อแม่หรือว่าใครๆก็ตามเลี้ยงเด็ก พวกเราเคยเลี้ยงลูกอย่างนั้น่ะผู้ที่ไม่เคยเลี้ยงลูกก็เห็นคนอื่นเขาเลี้ยงเป็นยังไงพ่อแม่เลี้ยงเรามาก็ไม่แพ้กันอย่างนั้นล่ะไม่ผิดกันเลยว่างั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องร้องร้องให้แบมือกำมืออย่างนั้นหลับตาอีกต่างหากไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งประครบประงมถ้าเป็นไข้เป็นตัวร้อนตัวอะไรก็พ่อแม่ก็จะต้องช่วยกันดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่แจะหนักกว่าเพื่อนแม่เนี่ยถ้าลูกร้องไห้ไม่รู้จักหุดแม่ร้ อ, องไห้ไปด้วยนี่แหละว่าการดูแลลูกนะ่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงว่าให้ระ ล, ลึกถึงพระคุณของบิดามารดาพระพุทธเจ้าถึงท่านประสูตมาได้เจดวันโยมมารดาหรือพระมารดาของพระองค์ก็ได้ชินพระสนสวรรคต แต่ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเอ่เป็นอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้ามีญานณนัศนะเอ่มีหูทิพมีตาทิพเหาะเหินเดินอากาศได้พระพุทธเจ้ายังได้ไปโปรดโยมมรรดาถึงชั้นดาวดึงสุบนสวรรค์เอ่ส่วนโยมมรรดาของท่านอยู่ชั้นเทวบุตรอยู่ชั้นดุสิตลงมาหาลูกชายคือหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าประทับอยู่บนดาวดึงสวรรค์โปรดพระมารดาอยู่ทั้งสามเดือนพระอภิธรรมทั้งหมดนั่นก็คือโปรดพระมารดาของพระองค์นี่แหละขนาที่โยมมารดาขึ้นไปสู่บนสวรรค์พระพุทธองค์ยังจำพรรษาอยู่ทึงทั้งสามเดือนปโปรดรัศมาโดยเฉพาะเลยเพราะงั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองข้ามคุณบิดามารดา ส่วนพระบิดานั้นพระพุทธเจ้ามาโปรดครั้งแรกก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาเทศที่ฟังได้เป็นพระอนาคาคาต่อมาครั้นสุดท้ายก่อนที่ท่านจะล่วงลับดับขันก่อนที่จะสวรรคตพระพุทธองค์ก็เข้าไปเทศนาว่าการในห้องพระบันธมของพระเจ้าจุโทธนะท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตผล เป็นขั้นทุดท้ายถึงจะท่านเป็นครวา่าท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ก่อนที่ท่านจะสวรรค์นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านไม่ได้มองข้ามคุณบิดามารดาเพราะนั้นพวกเราชดทาญาติโยมทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายควรจะยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านไม่ลืมพระคุณนะให้ระ ล, ลึกถึงพระคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้รละลึกถึงไว้อยู่เสมอผู้นั้นจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองถึงจะอยู่ในสภาพไหนใจของเราก็มีความสุขพอเราลึกระลึกถึงพระคุณ น, นะและ้วก็ ว, ว, วันวันวันที่สี่ที่ผ่านมาหลวงพ่อก็เข้าไปกราบองค์หลวงตาพอวันที่9ที่ส0จะเป็นวันทําบุญประทายเข้าเปลือกประจำปี ทุกปีที่ผ่านมาหลวงพ่อเองก็ได้เตรียมจตุ ป, ปัจจัยไม่ว่าวันเปิดโลกธานุไม่ว่างานกระถินไม่ว่างานวันเกิดขององค์หลวงตาหรือว่างานมากกว่านั้นบางทีหลวงพ่อเข้าไปกราบองค์หลวงตาพระ อ, องค์หลวงตาในท่านได้ใช้จตุ ป, ปัจจัยเกี่ยวกับโรงพยาบาลบ้างโรงล่ําโรงเรียนบ้างสงฆ์ข้ออนุเคราะห์โลกถ้าเราติดตาม สื่อขององค์หลวงตาที่ให้ออกมาทุ ก, ทกเช้านะ่ยพวกเราจะได้ยินว่าหลวงตาสงเคราะห์ อ, อะไรบ้างแต่ละวันแต่นี่ก็เป็นอันว่าหลวงตาได้ช่วยสงเคราะห์จะตุปัจจัยท่านจะได้มาจากไหนก็นได้มาจากพวกเราท่านทั้งหลายนะ่ยคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอย่างวัดของพวกเราก่อนหลวงพ่อเองก็ได้พาศรัทธาญาติโยมถวายเป็นอามิชฌาบูชาปฏบิบัติบูชาก็คือพวกเราทําตนให้เป็นคนดี แอมเป็นคนปฏิบัติต่อเป็นผู้ปฏิบัติต่อหลักพระธรรมวินัยต่อศีลต่อธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านแนะนําสั่งสอนแล้วก็เราเป็นคนดีอันนี้แปลว่าปฏิบัติบูบชาส่วนอมิตชบูชาก็เมื่อจัตยาญาติโยมถวายจตุปัจจัยได้มาเราก็เอาไปถวายองค์หลวงตาเพื่อเป็น อ, อมิชบูชาเพื่อให้หลวงตาได้ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อโลกสงเคราะห์สงเคราะห์โลกนะเนี่ยเมื่อวนันเมื่อวันที่สี่หลวงพ่อก็ได้เตรียมจตุปัจปจัยเอาเช็ดไปถวายท่านนะแล้วก็พร้อมการมีผู้ถวายทองหลวงพ่ออีกเจ็ดบาทนะกับถวายองค์หลวงตาทองเจ็ดบาทกับปัจจัยจะปัจจัยทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ของหลวงพ่อนะเป็นของพวกเราทุกๆกท่านนะ ศรัทธาญาติโยมถวายต่างกลามต่างวาระคนอนิดคนละหน่อยคนละมากหลวงพ่อก็ได้เก็บรวบรวมไว้ก็ได้เอาไปถวายองค์หลวงตาเนี่ยแหะแต่นอกเหนือจากนั้นเราก็เอาไปใช้อย่างที่จะวันจะไปวันนี้นะ่จะไปที่มุกดาหารไปก็จะไปสร้างไปทําถนนเข้าเจดีย์ของคุณแม่เอจะตามถนนของคุณแม่เขาเทมาที่สองสามวันแล้ว แต่ตูนั่งก็เป็นถนนใช้เงินพอสมควรถามนายช่างเขาพูดรับเหมาก็บอกว่าให้หลวงพ่อเตรียมไปเลยสามล้านเหมั้งหลวงพ่อยังมองไปมองมาเห็นทุกคนหัวล้านเงินล้านมันหายากจริงๆนะหลวงพ่อว่าเนา ะ, ะนี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็จะได้ไปนูน่น่ะเออไปช่วยเจดีสร้างเจดีของคุณแม่เพื่อให้มันจบๆไปทําไมงั้น พวกรถพวกลาอะไรเข้าไปก็เข้าไปลําบากมันเป็นขี้โคลนขี้ตมถ้าเป็นหน้าแรงก็ค่อยยังชั่วอยู่ถ้าเป็นหน้าฝนกับรถเข้าไปก็เปะป่าเปียปะไ ป, ป, ปหมดว่างั้นเถะเพราะนั้นจึงได้ไปทําถนนให้เรียบร้อยซะนี่แหละอันนี้แหละจะถูกปัจจัยที่ศรทัทธาญาติโยมถวายหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังเฉลี่ยเจือจานไปในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์นะแต่เมื่อวานวันที่เข้าไปกราบหลวงตา หลวงตาท่านก็พูดธรรมะให้ฟังโดยมากที่เข้าไปหลวงพ่อเข้าไปเกิดเป็นส่วนตัวนั่นแหละท่านก็พูดธรรมะให้ฟังน่าศึกษาอย่างมากหลวงตาท่านบอกวันนี้นะเราเนี่นะเจ็เป็นพระน้อยพระหนุ่มเราก็ไม่เคยนิ่งดูได้ความเข้มข้นและความเข้มแข็งของเราเนะี่ยเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่เคยอ่อนแอปูกเปียกเลยนะเรา ฟิตตัวอย่าตลอดเวลาในการประพฤติปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนี่ยทุกระดับระดับน้อยเราก็ทำอย่างระดับใหญ่ขึ้นมาเราก็ทําตามลําดับลําดับจนถึงครั้งสุดท้ายเกือบจะครั้งสุดท้ายเราก็ไปภาวนาที่วัดดอยธรรมเจดีท่านมะาท่านพูดเมื่อวานวันก่อนเราไปภาวนาที่วัดดอยธรรมเจดีกับเป๋านี่แปลกอยู่นะท่านมา เมื่อเราไปภาวนาอยู่ที่นั่นพอเดินอยองกลมตอนเช้ารู้สึกมันว่างไปหมดทํำงานนะมองไปเห็นอะไรภูเขานี่ยมันว่างในในความรู้สึกของเราแต่มันก็มีอยู่ในภายนอกมันก็มีอยู่แต่ในใจของเรามันว่างไปหมดมันมองไม่เห็นนะไม่ว่าโลกว่างอะโลอะโลโก้นอะแต่ก็มันก็เป็นธรรมะผลขึ้นมาเป็น เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดของมันผุดขึ้นมาในใจเป็นข้อธรรมข้อคิดขึ้นมาแต่ข้อหนึ่งขึ้นมาว่าขึ้นมาในใจว่ามีจุดมีต่อมผู้รู้อยู่ที่ใดที่นั่นแลคือตัวพบทำไมท่านก็เอออะไรงงท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรจุดตอมที่ไหนนั่นแหลคือตัวพบเนี่ยท่านว่างงใช่ไจากนั้นท่านก็เอาความงงนั้นแหละเพราะงั้นแต่ อก็พิจารณายัางไรไม่ตกเดินขึ้นมานี่แหละขึ้นมาแถวยอดทรเ น, นี่ยนะอาเภอบ้านผือเนี่ยนะเอตีนเขาผูย่าอู่เนี่ยนะมาแ ถ, แถบนี้แหละอืมทั้งที่ท่องอยู่วัดดอยนะทั้งข้างก่ขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาร้อนกัขึ้นมาทางนี้เหมือนมาภาวนายั้งแก้ไม่ตกกลับลงไปอีกเอไปถึงวัดดอยธรรมเจดีอีกเอวันเดือนหกวันที่สิบห้าแหลมสิบสี่ข่่ม ห้าทุ่มนะวะที่ท่านพูดนะท่านก็บอกว่านั่นแหละในพิจารณาถึงปฏิจจสมุปาทเนี่ยนะตัวทําลายในใจเนี่ยแสงสว่างมันโล่เลยทสว่างไปหมดอแต่มันก็ยังมีจุดมีต่อเหมือนกับใส้ตะเกียงพายุอย่างเงี้ยมันสว่างแต่มันยังมีจุดอยู่วันนั้นจากนั้นมาก็ท่านว่าพิจารณาจนทําลายมันเทิ้งไปหมดเลยแต พอทิ้งมันมันสว่างทั้งหมดใจกับความสว่างสว่างกับใจมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมใจเป็นธรรมธาตุพอมันจบจากนั้นมามันไม่มีอะไรที่จะมารบ ก, กวนเราอีกเลยนั่นแหละอันนี้พอเราไม่มีอะไรสงสัยในธรรมท่านพูดนนในวันนั้นโอ้ท่านพูดอย่างเข้มแข็งนะอายุถึงเก้าสิบ้าปีพอท่านพูดธรรมะ ขึ้นมาแล้วเหมือนกับเหมือนกันนักมวยได้น้าลักษณะอย่า ง, งนางงั้นเราว่างนั้นเถอะขึงขังตึงตังขึ้นมาโอ้ฟังแล้วน่าฟังน่าศึกษาออจากนั้นท่านก็มาพูดถึงอดีตของท่านอีกอ อ, อดีตของท่านคนนี้นะสมัยเราเป็นพระอยู่กับหลวงปู่มั่นเราปนิบัติหลวงปู่มั่นออมีพระแสดงความไม่เคารพเราปักใจจริงๆนเออ่นันน่นะ เราปักใจจริงๆริงพอหลวงปู่มั่นพูดอย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์นั้นก็พูดขึ้นมาสวนขึ้นมาแสดงความไม่เคารพในหลวงปู่มัน่นเราไม่สนิทใจเลยตั้งแต่บัดนั้นมานี่นี่แหละเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มอยู่ด้วยกันหลวงพ่อพยายามเตือนแล้วเตือนอีกบอกแล้วบอกอีกการอยู่ด้วยกันสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าไปแสดง หรือไปแสดงอกับกิริยาออกไปถ้าแสดงอกับกิริยาออกไปแล้วไปกระทบกระเทือนหมู่พวกเพื่อนมันรู้สึกนักปฏิบัติเดานักภาวนาเนี่ยมันฝังลึกถ้าทำไม่ถูกนะให้ถ้าว่าทำไม่เจตนาก็าไม่เป็นไรถ้าทำด้วยเจตนาเนี่ยมันมันให้อาภัยกันยากบยางนั้นแ่เนี่ยแหละถึงนานขนาดนั้นลงตงตาท่านผู้ปฏิบัติรำขนาดนั้นนะท่านก็ยังบอกเรารับไม่ได้ กิเลสจุดนั้เราลับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นกติหรือเป็นตัวอย่างของพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันเพราะนั้นการกระทําสิ่งใดก็ตามอย่าให้ผิดอกผิดใจหรือว่าจะไปทําให้มันทําให้มันไม่ถูกต้องเพราะงัน้นจะทำให้มันถูกต้องให้มันเป็นธรรมนะมันจะราบรื่นไปนานเท่านานหลวงตาท่านพูดวันนั้นท่านให้กติทำไร้ไร้อย่างที่เข้าไปกราบท่าน สรุปแล้วก็คือเมื่อเราไปดูท่านแล้วอายุ95้าสบหปีนี่ความจำก็ดีเชา ว, วันะในความคิดก็ดีในการพูดก็ดีนี่ที่ท่านแสดงออกมาโอ้ไม่ใช่ธรรมดาหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเลยเลยไม่ใช่ธรรมดาเหมืนหลวงตามหาบวัวหน้ากราบหน้าไหวา่หน้าคารบบูชาเหมัา น, น, เ, นเป็นพระผู้เท่าที่หาได้ยากมากเหือนั่น คืว่าหาไม่ได้เลยแล้วงั้นมองไม่เห็นองค์ไหนที่หลวงพ่อได้ผ่านผ่านมาเองค์หนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งไปคนละอย่างกันว่างั้นแต่หลวงตาเนี่ยอายุถึงเก้าสิบห้าปีนี่แหละท่านยังขนาดที่ได้หลวงพ่อว่ะเป็นพระที่หาไม่ได้เหมือนน่ะในยุคปัจจุบันนี้ว่างั้นอันนี้ก็พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาถ้าภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้ว น่แหละจะจิตใจจะเข้มแข็งอจิตใจจะไม่หวั่นไหวไกวแกว่งถึงจะมีโลกกระทาสิ่งไหนมาก็ตามจิตใจอยู่ในหลักนิ่งรู้อะไรเป็นอะไรรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักปล่อยวางยังไงอือร่างกายสังขารถามหลวงตาดิลงตาท่านบอกว่าจะไปวิตกอะไรทำไมก็รู้อยู่แล้วเออเราเลี้ยงมันไปดูมันไปดูแลมันไป ถึงวันจุดจบมันก็ต้องทิ้งมันร่างกายมันจะไปที่ไหนได้ออจะต้องทิ้งมันแต่ถึงยังไงถ้ามันเป็นไปได้ก็เอาอยู่บ้านกินไปเลี้ยงไปประกับประคองมันไปแต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วก็ต้องทิ้งมัน่ะลงตาท่านว่าอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเอพวกเราไม่อยากจะทิ้งมันเสิถึงเจ็บป่วยเข้ามาก็โอ้ทนทุกทรมานเพราะเหตุไรเพราะว่ า, าเรารักมากร่างกายถึงจะรักมากขนาดไหน ร่างกายของเราก็ยังเป็นอื่นอยู่เสม อ, อจะต้องแก่จะต้องเก็บต้องตายในที่สุดเพราะนั้นให้พวกเราคิดเอาไว้นะแต่ถึงยังไงให้พวกเราสั่งสมขุนงามความดีเอาไว้พยายามสั่งสมบุญกุศลเอาไว้นั่นแหละอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างไปการที่อยู่ด้วยกันมากน้อยก็ให้มีเคารพรักเคารพกันด้วยความเมตตาต่อกันให้มีน้ำใจต่อกันนะ นี่แความสงบร้มเย็นเป็นสุขก็ขจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเรานะเป็นอันดับแรกต่อไปผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็ได้รับความอบอุ่นมีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขขั้นต่อไปวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อเ น, นื่องไปรับพรอนุมโมทนาให้พร